ถามอยู่บ้านติดกับโรงฆ่าถามติดต่อกับชายคนหนึ่งที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงของเรา แต่รู้จักและติดต่อกันทางจดหมายเห็นมีคนมาถามอยากขอวิธี 30 ปี แต่เราก็ยังต้องไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอถามหมอเคยวินิจฉัยดิฉันว่าเป็นโรคจิตเภทจิตใจตนเองได้แต่ยังไม่ถึงกับอารวาสยัง ความนึกคิดทานยาพักหนึ่งพอดีขึ้นก็หยุดเสร็จแล้วกลับมาเป็นอีกต่อยอดไประลึกถึงคุณพระอยู่เสมอแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยๆอยาก และถามหงุดหงิดรู้สึกว่าเจ้าชู้กันทั้งนั้นเวลามีแฟนกี่คนกี่คนเหมือนกันอย่างนี้หมดเลย